ทีมงานเขาประกาศให้พวกเราฟังเปล่าว่าให้ปิดเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยบอกเอราใช่ไหมเวลาฟังธรรมเป็นเวลาสำคัญนะเวลาที่เราเข้าเฝ้าเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธ เ, เจ้าธรรมะคือศาสด า, า, าของพวกเรานั้นเราต้องฟังด้วยความเคารพ ฟังไปเล่นมือถือไปเลยนะไม่ไหวคนรุ่นนี้นะน่ากลัวมากเลยเมื่อวันสองวันนี้หลวงพ่อไปทุระนอกยังเห็นนะคนขี่มตอตอร์ไัยอ่ะยังเล่นมือถือไปด้วยเล่นไปขี่ไปมันไม่ตายก็บูญนักหนาละอะไรนักหนานาดนัหลวงพ่อปิดวัดมาตั้งแต่แต ส6บหมีนาคมตอนโรคระบาดมันกำลังเริ่มแรงปิดมาได้สีเดือนครึ่งเมื่อมาเปิดเดือนสิงหาเนี้ยทีแรกจะเปิดตั้งแต่กรกฎาคมพอดีเป็นอมาึกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็เลยเลื่อนมาเดือนนั้นมาเปิดสิงหาคม เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ก่อนพอมาถึงสัปดาห์นี้หลวงพ่อก็ขยายงานต่อไปสัปดาห์นี้ให้พระอาคาันตุกะเข้ามาละก็ปรับไปตามสถานการณ์ให้จองเข้ามาเพื่อจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้ามาเกลี้ยงกันนั่งแลมานั่งแล้วมานั่งเบียดเบียดกันเลยทางราชการก็ยังขอ ควมร่วมมือให้เว้นระยะห่างอยู่แล้วก็ร่วมมือเขาเมืองไทยดูแลพลเมืองได้ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยประเทศบางประเทศเขาไม่มีกำลังที่จะดูแลชาวบ้านของเขาบางประเทศเขา ก็เป็นเสรีภาพมากนะคนมีเสรีภาพที่จะเป็นโรคก็ได้จะแพร่เชื้อโรคก็ได้มันเสรีอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ที่หลักการคิดนของแต่ละชาติไม่เหมือนกันอย่างเมืองไทยเมืองจีนอะไรเนี่ยเราถือหลักว่าชีวิตคนสำคัญที่สดุดชีวิตของพลเมือง จะย่างดีมีจนอะไรก็สำคัญหมดอย่างอเมริกาอย่างอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ถืออย่างนั้นเขามุ่งเศรษฐกิจสำคัญที่สุดคนจะตายเป็นแสนแสนเลยเขาก็เฉยเฉยถือมีเส ร, รีภาพที่จะตายแนวทางแก้ปัญหา โรคระบาดเนี่ย ม, มันไม่แมืกันคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะพยายามกลับมาเมืองไทยอยู่ที่อื่นอยู่ยากเขาก็ไม่ได้เห็นเรามีความสําคัญเลยนะเหมือนหมาตัวหนึ่งเท่านะั้นติดโรค ก, ก็ตายไปยของเราเลี้ยงหมายังเลี้ยงดีกว่าหมาไม่สบายยังพาไปหาหมอ แต่ละชาติก็คิดไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ทางใครทางมันช่วงโควิดระบาดเนะี่ยหลวงพ่อก็มีเวลาเยอะขึ้นเราอยู่ในวัดไม่ได้ไปไหนยกเว้นไปโรงพยาบาลหลวงพ่อก็มีเวลาดูแลไพระภายในนี้เนะ่เรือนพระรุ่นนี้จะเข้มจะเข้มประรุ่นก่อนก่อนยกเว้นพวกเข้าใหม่นะต้องฝึก ยังยังไม่ได้หลักนะมีเข้ามาใหม่สององค์พที่เข้ามาก่อนแล้วก็โอเคเนละ้วที่หลายคนก็โชว์โอกาสตอนที่มีโรคระบาดช่วงเก็บตัวนะภาวนายังก็มีพระอาคารตกกา่าอคนะท่านมาเล่าให้ฟัง ท่านก็ภาวนาจิตใจท่านก็ข้ามกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งก็ดีแต่เดิมนะเปิดเปิดประเทศนะท่านอารับนิมนต์เยอะเวลาภาวนานะก็คอยคิดอย่างเดียวจะเอาอะไรไปเทศลายการทัดไปไม่ได้ภาวนาจริงหลวงพ่อก็กลับเรียนท่านบอกว่า ถ้าอาจารย์ขาดสมาธิถ้าไม่เพิ่มสมาธิไปต่อไม่ได้นี่พอมีโควิดระบาดทนะ่านไม่ได้ต้องคิดงานนะถ้านั่งดูจิต ด, ดูใจเองด้านไปกนะ็ดีขึ้นนี่โยมก็เหมือนกันนะถ้าหากเอาเวลาที่เราอยู่ตามลำพังนะมาภาวนามันก็ต้องดีบ้างเลย ถ้าเเวลาไปวุนว่นวายกับคนอื่นตลอดเวลาไม่มีทางดีบางทีไม่ไปเจอตัวเขานะก็เจอกันทางอินเทอร์เน็ตนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรนี่ก็คือการคลุกคลีตรบาบใดที่ยังคลุกคลีอยู่อย่ามาพูดเรื่องสมาธิเลยไม่มีหรอกหลวงพ่อถึงบอกพวกเราอย่าเล่นเยอะอินเทอร์เน็ตนะ สมัยก่อนอาหลวงตามหาบัวนะกระทั่งมือถือนะมือถือมันยังไม่สมาร์ทเหมือนรุ่นนี้ท่านยังว่างเลยท่านเรียกเทวทัศน์เ่ยนะนถ้าท่านมาเจอรุ่นสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านไม่รู้จะเรียกอะไรแล้ว เ, เรียกเทวทัศตไปแล้วยิ่งกว่า น, นี้ก็หาคํามากกว่า น, นี้ไม่ได้ต้องบอกเทวทัศน์กําลังสองนะทั้งนั้นเพราะมันกวางการปฏิบัติของเรามากเลย วันๆ น, น่ะจิตใจจดจอ่อเผื่อภายนอกคอยดูว่าเพื่อนเรามันจะเขียนอะไรบ้างที่เขียนอะไรบ้าๆบอๆเราก็ต้องไปกดไลค์ให้เขาเผื่อเราเขียนอะไรที่บ้าอย่างเขาบ้างเขาจะได้มาไลค์ให้เราบ้างมไลค์สาระนะเอาเวลามาภาวนาให้ดีนะแล้วชีวิตเราจะได้ดีขึ้นไม่ใช่ อยู่ตามยาถากรรมแบบนีนะ้มันเหมือนคนไม่มีการศึกษาในธรรมธรรมะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อมีวินัยในการปฏิบัติเวลาทำงานเราก็ทำไปตอนไหนที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดหลวงพ่อพอวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโรอะไรไทำไปเร่ย ในยดูจิตดูใจมันทำงานดูตลอดมันไม่เลิกการภานาของหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ท่านเลยบอกว่ามันภวนาได้เร็วภานาเร็วเพราะเราภานาไม่หยุดไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดการภานามันเหมือนพายเรือทวนน้ำพายพายแล้วก็หยุดนะน้ำก็คือกิเลสก็พาเรือคือใจของเราถอยหลังมาอีก พอวันหลังมันนึกถึงอยากภาวนาอีกก็มาพายเรืออีกนะพายไปสักพักก็หยุดอีกแล้วก็ถอยหลังอีกพอหลายๆรอบเข้าหมดแรงพายแล้วไม่พายแล้วช่างมันนะนักปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นแรกๆก็ฟิต จ, จัดแนละ้วภาวนากชาตินี้ต้องเอามรรคผลนิพพานให้ได้บางคนหวังจบเลยบางคนหวังได้โสดาก็ยังดี ภาวนาเปช่วงหแล้วขี้เกียจที่มานะใจก็ถอยออกมาวันดีคืนดีก็ภาวนาอีกก็ถอยขึ้นถอยลงอย่างอย่างนี้มันไม่ได้ผลหรอกกิเลสเอาไปกินหมดแล้วภาวนาอย่างนั้นนะบางทีกิเลสเพิ่มกว่าเก่าภาวนาแล้วเรารู้สึกกูดีกูดีดีกว่าคนอื่นนะกูเป็นนักภาวนานักปฏิบัติจริงยังไม่ทีหรอก ถ้าเด่นต้องไม่ทุกข์นี่ถ้าเราอยากเอาจริงนะขั้นแรกเราต้องถือศีลห้าเอาห้าข้อพอไม่ต้องถือศีลมากกว่านั้นหรอกศีกลห้าพอบรรลุมรรคผลได้แล้วถ้าอยากได้สูงกว่านั้นอย่างเราได้โสดาได้สังกัาคาอะไรพวกนี้ศีลห้าพอละถ้าเราอยากได้อ น, นาคาเนะต้องขยับขึ้นไปหน่อยศีลแปนเนี่ยเหมาะ กับคนที้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระนาคาสีนแปดรวมทั้งเป็นพระละหันด้วยเพรนันขั้นแรกถือสีนไว้ก่อนนะไม่ต้องมาขอพระเรารู้จักสีห้าอยู่แล้วนะไม่รู้จักก็ไม่ถาม o o เก l ลดูมันก็บอกได้สีห้ามีอะไร มันเป็นการงดเว้นการทำชั่วทางกายทางวาจาห้าอย่างเท่นั้นแหละอันนี้เป็นพื้นฐานเมื่อใจเรามีศีลแลใจเราจะมีสมาธิง่ายวิธีที่จะให้เกิดสมาธนะิต้องรู้จักสมาธิก่อนที่หลวงพ่อสอนมากมายนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องสมาธนะิเรื่องปัญญามันไม่ยากแนละ้ว ถ้าสมาธิถูกต้องนะการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าสมาธิเราไม่ถูกอย่ามาคุยเลยเรื่องเจริญปัญญาเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องเรียนเรื่องสมาธิที่หลวงพ่อสอนนะี่ยเยอะแยะเลยเรื่องเนี้เพราะอะไรสอนเรื่องสมาธิมาก แต่ท่านที่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงพู่ดุลท่านไม่สอนสมาธิหลวงพ่อหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่เคยสอนสมาธิหลวงพ่อยกเว้นองเดียวคือท่านพ่อหลีะตอนนั้นหลวงพ่อเจ็ดขวบเจอท่านพ่อหลีท่านสอนเรื่องสมาธิให้ใจเข้าพูดให้ยใจออกโทรนับหนึ่งห้ใจเข้พูดออกโทนับสองเนี้ยเพราะว่าหลวงพ่อทํามาตลอด ตอนที่มาเจอหลวงปู ด, ดุลนะท่านไม่สอนสมาธิหลวงพ่อแล้วแต่คนอื่นกับพระองค์อื่นท่านสอนเรื่องสมาธิเยอะเลยนะอย่างบางองนะอย่างหลวงพ่อคืนหนะลวงพู ด, ดุลสอนให้พิจารณาผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้เนี่ยความรู้อัศจรรย์ของหลวงพู ด, ดุลหลวงพ่อคืนตอนนะั้นเสียใจ คนอื่นหลงพูโ ด, ดนลสอนอะไรเยอะๆเลยของท่านให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็ไม่ดูท่านมาภาวนาอยู่ที่หินบักเป้งนะท่านกนําหนดจิตเผาร่างกายตัวเองมันก็ไม่ไหมมันแค่เกลี่ยมๆมันไม่ไหมทำไงก็ไม่ไม่สำเร็จสุดท้ายกลับมา ออกพรรษานะ้ะไปอยู่เท่านั้นตั้งหลายเดือนออกพรรษากลับมาบ้านที่สุรินตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อคืนะกลับมาบ้านเนะี่ยไม่รู้จะภาวนานไงถึงเวลาที่จะต้องไปเจอหน้าหลวงปู่ดูลัตนึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็เพิจาราผมเส้นเดียวผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้ะมีกลิ่นอย่างนี้ะเี้ พียนายเนยนะพี่นายอยู่เส้นเดียวเท่านั้นจิตรวมเลยจิตรวมได้สมาธิแล้วเข้าไปหาหลวงพู่ดุลท่านก็สอนเรื่องปัญญาให้เนะี่อย่างนี้น่ะก็มีมางองอย่างหลวงพ้อ ง, งานเนะี่หลวงพู่ดุนสอนให้ดูกระดูกนี่ก็เป็นสมาธิเป็นสมถทนะท่านดูกระดูกแล้ทั้งเวลาเดินจงกรมนะท่านเห็นกระดูกเดินจงกรม แล้วก็มีกระดูกอีกสี่โครงนะข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเดินล้อกันไปไปไหนก็มีกระดูกไปด้วยด้วยไปด้ใจก็มีสมาธิมีกำลังขึ้นมาข่มกรามได้เข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็สอนการเจริญปัญญาต่อยอดให้ท่า น, นก็ได้ดีกันเพราะหลวงปูดด่ดนสอนแต่ละค น, นไม่เหมือนกันนะ คนไหนต้องเรียนสมาธิท่านก็สอนสมาธิก่อนบางคนได้ก็ให้พูโทโธพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่เป็นผู้ว่าพูโทโธนะนั่่างี้จิตเป็นคนท่องพุโทโธหลวงพ่อเข้าไปในะท่านไม่สอนสมาธิเลยสมาธิหลวงพ่อทำไ ด, ได้แต่เจ็ดขวบแล้วทำมาตลอดนะสมาธิมันดีสมาธิดีดูยังไง ที่เป็นสมาธิดีพร้อมที่จะปฏิบัติไม่ใช่เข้าฌานเก่งแต่สมาธิที่ดีนะจิตนั้นมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานไม่ใช่จิตผู้หลงจิตผู้หลับนะจิตผู้เคร่งเครียดอย่างพวกเรานั่งภาวนานะะเดี๋ยวก็หลงแล้วเดี๋ยวก็หลับแล้วเดี๋ยวก็เครียดแล้วจิตอย่างนั้นยังไม่มีคุณภาพ ต้องฝึกเองวิธีฝึกให้จิตมีคุณภาพทำยังไงหากรรมฐานสักอย่างหนึง่งอะไรก็ได้ที่ใจเราชอบเราชอบกรรมฐานอันไหนเอากรรมฐานนั้นนั้นนะชอบพุโทโธก็ใช้พุโทโธชอบหายใจก็ใช้หายใจชอบแบบไหนก็เอากรรมฐานอย่างนั้นนะเราทำกรรมฐานที่เราชอบ ใ, ใจมันจะมีความสุข ความสูขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิชนิดสงบนะใจก็เริ่มสงบเพราะใจมันสงบแล้วมันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนะแล้วพอมันเคลื่อนนะมันหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดทางใจแล้วมีสติคอยรู้ทันตอนที่มันหนีหัดรู้บ่อย เช่นพทุพโทโธพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นละเราก็รู้ทันตอนนี้หลงลืมพุโทโธละรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตมันหลงปุ๊บนะสติจะเกิดอัตโนมัติเลยงั้นเราทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะแล้วเวลามันหลงไปเราค่อยรู้สึกแล้วต่อไปมันหลงมันจะรู้สึกโดยไม่ต้องเจตนา อย่างลงพ่อเทีย น, นสอนขยับมือนะสอนขยับมือมีสิบสี่จังหวะหลวงพ่อก็เคยเข้าไปแต่ไม่ได้ไปเรีย น, นท่านไปดูท่า น, นท่านมีชื่อเสียงตอนนั้นหลวงพ่อพอหนักเป็นแล้วพ่อก็ไปดูสำนักนว้นสำนักนี้หลวงพ่เทียนขยับหลงพ่อเทียนทำได้ดีลลูกศิษย์ขยับนั้นพวกก็เพ่งมือบางพ่อก็เพ่งใจให้นิ่ง บางพวกก็ทำใจเคลิ้มเคลิ้มนะบางพวกก็ใจหนีไปที่อื่นเมันะนใช้ไม่ได้มันสติมันไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวยั้นถ้าเราใช้กรรมฐานเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวจะสิบสี่จังหวะหรือแค่สองจังหวะแค่นี้ยังได้นะเลยแล้วรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกนะเรืนะ่องร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกสักพักหนึ่งใจมันเผลอนะเผลอแล้วมือยังกระยับอยู่นะแต่ใจหนีไปแล้ว ถ้ามาเราลุกขึก้นหลงไปแล้วนี่หว่าพอหลงไปแล้วก็อย่าไปดึงจิตคืนนะเริ่มต้นขยับเรารู้สึกเอาใหม่อย่าไปเอาจิตดวงที่แข็งๆทื่อๆที่หลงอนะ่ะตัวนั้นโยนทิ้งไปเลยจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงนะั้นเป็นจิตที่เลวทิ้งไปอย่าไปห่วงมันมารู้สึกเอาใหม่รู้สึกรู้สึกแล้วนะ หายใจก็ได้พูดโทรก็ได้ดูท้องพองยุกก็ได้ขยับมือก็ได้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งแต่ทำด้วยความมีสตินะเวลาอะไรเกิดขึ้นมันคอยรู้ทันไปนะเช่นนั่งหายใจเข้าพูดใจออกโทรแล้วแมมันเคลิ้มจะขาดสติรู้ว่ามันเคลิ้มแค่นั้นแหละฝึกเลยได้ต่อไปพอใจจะเคลิ้มนะสติจะเกิดเองอย่างหลพไป ที่วัดหลวงพ่อเตียนนะเป็ขยับสิบสี่อย่งางหวาหลวงพ่อลำคาญหลวงพ่อเป็นพวกโทศาสตะจริตอะไรที่ซับซ้อนลำคาญหลวงพ่อทําเพื่อแค่นี้นะไม่ทําอย่างนี้ด้วยนะเมื่อยขยับแค่นี้เนอะขยับขยับอย่างเงี้ยนั่งนั่งอยู่นะแล้วขยับไปนั่งใต้ต้นไม้ท่านจิตลมปุ๊บลงไปเลย รวมเลิกลงไปนะแล้วก็เห็นความพรุงแต่งมันผุดขึ้นมามันเป็นกระแสคล้ายๆกระแสของความคิดนะผุดขึ้นจากความว่างนะพอมันผุดขึ้นมาเนี่ยใจมันกระทบมันไปสัมผัสตัวนี้นะมันเกิดบิน ญ, ญานขึ้นมานะเกิดบิน ญ, ญานขึ้นมา ตอนที่ใจมันลงไปนะใจมันเข้าผวังนะแล้ะมันเห็นใจมันทางานขึ้นมาสังขารมันปรุงขึ้นมาสังขารมันปรุงขึ้นมาแล้วเนะี่ยวิญญาณก็เกิดขึ้นความรับรู้มันรับรู้อะไรมันรับรู้สังขารความรับรู้สังขารเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นเนะี่ยมันแผ่ขยายความรู้สึกออกไปนะกระทบเข้าที่รูป รูปก็ปรากฏกระทบนามนามก็ปรากฏมันกระทบนามก่อนกรนะท บ, นะทบนามนะพอกระทบนามแล้วมันขยายความรับสึกฝ่ายขยายความรับรู้ไปกระทบรูปรูปก็ปราบกฎพราวนี้นามรูปเกิดขึ้นแล้วอายตระะเกิดขึ้นแล้วนี่ไปนั่งขยี้นิ้วอยู่แท้ๆนะมันเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาท ว่าจุดสาคัญไม่ได้ไปนั่งสนใจที่นิ้วหรอกสนใจที่มีสตินี่วันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอนานนะ่ะไม่เจอกันนานเดินอยู่คนละฝั่งถนนก็ดีใจท่านดีใจเนี้ยขาดสติก้าวเท้าไปเพื่อจะข้ามถนนไปหาเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวทนะัสติเกิดเลยทาไมพอเท้าเคลื่อนไหวแล้วสติเกิดได้เองพระองภาพฝึกขยับอย่างเนี้ย ขยี้น้วเองนะขยี้เบาๆนะไม่ต้องแรงนะอย่างนิ้วถอดย้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกพอเท้าก้าวอนี่ยมันก็คือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกแต่ความรู้สึกที่เป็นอิสระเนี่ยตรงไหนเด่นมันรู้ตรงนั้นเท้าที่เคลื่อนไหวนี่เป็นอารมณ์ที่เด่นมากกว่าขยับนิ้วละขยับนิ้วขยับยังไม่กี่วันหรอก แต่คราวนี้ยพอเท้าเคลื่อนใหม่มันรู้สึกเองแล้วพอจะหันซ้ายหันขวามันรู้สึกเองล้วเรีว่าเรียนแลได้หลักขยับเนี่ยนะเพื่อจะรู้สึกตัวคราวนี้ยจะหันซ้ายหันขวาอะไรรู้สึกได้ตลอดเะฉะนั้นะเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่าขี้เกียจความขี้เกียจไม่เคยพาใครให้ดีได้นะความขี้เกียจไม่ช่วยให้ใครได้ทีหรอก กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกดแห่งกรรม้มรรม็ถ้าเราทํากรรมฐานทําถูกต้องทําสม่ําเสมอทํามากพอผลมันก็เกิดถ้าทํากรรมฐานแล้วก็ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นอะไรยเงี้ยผลเกิดเหมือนกันแต่เกิดฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดมากผลอะไรเงี่นเราไปเลือกัว กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราไม่ดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองพุทโธแล้วสบายใจเอาพุทโธรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็เอาลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบไปขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วสบายใจก็ขยับมือไปดูเวทนาแล้วสบายใจก็ดูเวทนาไป ดูจิตสังขารจิตดีจิ ต, จตชั่วอะไรอย่างเงี้ยดูแลสนุกสบายใจก็ดูไปทางใครทั้งมัน่นะไม่มีอะไรดีกว่าอะไรกรรมฐานทั้งหลายนะไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกถ้าทำถูกก็ถูกเหมือนๆกันนะถ้าทำผิดก็ ผ, ดผิดเหมือนๆกันอย่างเราพุดโธเนียไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบเราพุดโธเพื่อรู้ทันจิตเช่นพุดโธพุดโธอยู่จิตนีไ่คิดเรื่องอืนรู้ว่าจิตหนีไป อย่างนี้เรียกว่าภนาเป็นหายใจก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบหายใจไปพระจิตนื่อนไหลลงไปอยู่กับลมก็รู้ทันจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตอย่งางนี้เรียกว่าภานาเป็นดูท้องพองยุบรอจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลลงไปที่ท้องแนละ้วดูท้องพองยุบอยู่จิตห น, นีไปที่อื่นมัคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไป ดูทองฟ่องยุบก็ เ, เป็นแค่แมกกาลว์ตัวหลักที่เราดูคือตัวจิตกรรมฐานทั้งหมดอ่ะเอาจิตเป็นหลักตัวกรรมฐานเป็นแค่แมกกาลว์กันมีแมกกาลมันจะช่วยให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของจิตได้ชัดเจนอย่างถ้าเราอยู่ในที่มืดตื้อเลยมองอะไรไม่เห็นนะเราเดินไปเนี่ยเราการะยะไม่ถูกเดินไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาทางไหนไม่รู้เรื่องเลย มันมืด ต, ตื่อจับอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันมีฉากหลังอย่างอย่าง่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยพวเราเห็นหลวงพ่อเคลื่อนไหวไหมที่เราเห็นหลวงพ่อเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะตัวหลวงพ่อเทียบกับฉากหลังของหลวงพ่อมันก็ทำให้เห็นว่าตัวหลวงพ่อเคลื่อนไหวนึ้ออกไหมถ้าข้างหลังเป็นอาวากาศหลวงพ่อขยับอยู่นะเราไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวหรอ งั้นตัวแบกกล่าวเนี่ยมันทำให้ตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันชัดเจนขึ้นการภาวนาก็เหมือนกันกรรมาฐานทั้งหลายเป็นแบกกล่าวเป็นฉากหลังตัวที่เคลื่อนไหวคือตัวจิตนี่เรามีฉากหลังอยู่พอจิตเคลื่อนไหวไมันจะเห็นง่ายนะเช่นเราพุดโธพุดโธอยู่เป็นฉากหลังนะจิตหนีไปที่อื่นลืมพุดโทไปแนละ้วเอาฉากหลังมันเปลี่ยน ตะกี้ฉากหลังคือพุทโธ ต, ตอนนี้ฉากหลังคือโควิดอย่างเงี้ยนะไปแล้วเราจะเห็นเออจิตนี้มันไม่คงที่นะมันเปลี่ยนหรือเราดูลมหายใจเห็นไหมดูลมหายใจเป็นฉากหลังรู้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปหายใจไปจิต น, นีไมฉากหลังมันไม่ใช่การหายใจแล้วฉากหลังมันเป็นเรื่องอื่นแล้ว เราก็รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วหรือที่แรกเรารู้ร่างกายหายใจสบายๆแล้วจิตถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ฉากหลังมันเปลี่ยนแล้วลมหายใจเปลี่ยนจากตัวถูกรู้เป็นตัวถูกเพ่งไปแล้วมันเปลี่ยนอาการของมันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามีฉากหลังมีกรรมฐานนะเป็นฉากหลังเพื่อจะได้รู้เท่าทันจิตตนเองได้ชัดเจนขึ้นดูท้องพองยุไปเป็นฉากหลังไม่ใช่ไปเพ่งท้อง เพ่งท้องใช้ไม่ได้นะส่วนใหญ่ร้อยละร้อยน้าที่หลวงพ่อเห็นนะเล่นฟองยุบไม่เพ่งท้องไม่จะได้อะไรขึ้นมานะถ้าเพ่งท้องเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปที่ท้องนะทีแรกจิตอยู่ห่างกับท้องนะฉากหลังนี่มันอยู่ไกลๆนี่ฉากสางจิตกับฉากหลังเข้าไปแนบกันนะฉากหลังมันใหญ่ขึ้นนะใจะใหญ่ขึ้นนี่เรารู้ให้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แล้วจิตมันถลําไปแล้ว หรือดูท้องพองยุมอยู่จิต น, นี้ไม่คิดเรื่องอื่นลืมท้องพองยบฉากหลังมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพะฉะนั้นเราต้องทำกรรมทานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นฉากหลังที่เราจะรู้ทันจิตตนเองได้ดีถ้าอยู่ในอวกาศไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตนะดาวอะไรสักดวงก็ไม่เห็นนะสมมติไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์นะไปอยู่ตรงรอยต่อที่ไม่เห็นอะไรเลยแสงสว่างไฟไม่ถึงนะ เรายอาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกถึงความเร็วมันไม่มีฉากหลังให้เห็นอย่างดาวอยู่ในบนฟ้ามันเคลื่อนที่ไหมดาวมันเคลื่อนที่ไหมพระจันทร์เคลื่อนที่ไหมเรารู้สึกนีเราไปนั่งอยู่กลางแจ้งนานๆเราเพิ่รู้สึกว่าพระจันทร์กับดาวเคลื่อนที่พระอะไร ตอนที่มันเคลื่อนขึ้นนะ่ะมันหนีขอบฟ้าด้านหนึ่งขึ้นมาตอนมันจะเคลื่อนลงนะ่ะมันวิ่งเข้าหาขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งตัวขอบฟ้านี่เป็นแบทเกลียวที่ทำให้เห็นว่าดาวมันเคลื่อนนะแล้วเวลาดาวตกอ่ะวูบเนี่ยเราเห็นว่าดาวตกเคลื่อนที่เพราะอะไรเพราะมันวิ่งผ่านดาวอื่นๆให้เราเห็นนะมันมี background. แบทเกลียวนั่นเราจะเห็นจิตเคลื่อนไหวได้ดีนะ เราต้องมีอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สักกอนเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะหาอารมณ์กรรมฐานที่พอดีพอดีทําแล้วก็ไม่เปลอเพลินทําแล้วก็ไม่เคร่งเครียดนะอารมณ์ที่สบายสบายทำไปแล้วพอใจเราเคลื่อนเราจะเห็นใจเราเคลื่อนเราจะเห็นทุกครั้งที่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติ ตัวนี้เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งละเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นแล้วสมาธิที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองค่อยๆฝึกไปพอเราได้สมาธิที่ตั้งมั่นแล้วจิตเราเป็นผู้รู้หลวงพ่อนะจิตเป็นผู้รู้ตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงพู่ดูลเรียนกับหลวงพู่ดูลแล้วตอนที่เราไปหาหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ เพราะท่านเห็นว่าหลวงพ่อไม่ใช่ผู้หลงท่านเลยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผูกขาดนะไม่ใช่สิ่งผูกขาดพวกเราก็ทำได้ถ้าทำบางคนก็ชอบมาขอพรนะขอให้ภาวนาได้เหมือนหลวงพ่อก็พาวนาอย่างหลวงพ่อมาภาวนามาสิเดี๋ยวเราก็ได้อย่างที่หลวงพ่อภาวนานะอยากได้ ภาวนาให้ดีมีความสุขอะไรเงนะีก็ลงมือทำถือศีลห้าไว้ทุกวันฝึกจิตฝึกใจทำกรรมฐานมีรูปแบบอยู่มีเครื่องอยู่แล้วคอยรู้ทันจิตไปนะบางทีจิตก็เข้าไปสงบอยู่เฉยๆบางทีจิตก็เคลื่อนไปเรามีสติรู้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานที่สบายใจเรารู้ไปสบายใจเราจะได้สมาธิชนิดสงบ ใจสงบสบายมีความสุขแต่ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเราเห็นจิตมันเคลื่อนไปหรือเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนะนเรารู้ทันปับเนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันโลกของการเพ่งเคร่งเคลียดนะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้เพ่ง เป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เพอ้อฝันเป็นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เคร่งเครียดนรู้สบายรู้ไปสบายๆเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับนะแล้วก็เป็นผู้เบิกบานไม่เคร่งเครียดอันนี้เราจะได้สิ่งตัวส่วนนี้มานะถ้าทํากรรมฐานแล้วรู้สภาวะได้ถูกต้อง โกรธขึ้นมาเรารู <Yeah. S 1> ้ว่าโกรธความโกรธดับจะได้จิตผู้รู้โลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภความโลภดับเราก็จะได้จิตผู้รู้ความสุขเกิดขึ้นมาเรารู้ว่ามีความสุขถ้าเป็นความสุขอย่างอกุศลมันจะดับเกิดจิตผู้รู้ถ้ามีความสุขอยู่รู้ว่ามีความสุขแต่ความสุขตัวนั้นเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลไม่จําเป็นต้องดับแต่ผู้รู้มันจะเกิด เกิดไปมีความสุขไปนค่อยๆฝึกไปหรือจิตลงไปคิดรู้ว่าจิตลงไปคิดผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นพอมีจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือกายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีใจเป็นคนรู้เป็นผู้รู้เห็นร่างกายมันทำงานไปใจเป็นผู้รู้หรือดูจิตใจมันทำงานไปใจมันเป็นผู้รู้ นี่แหละเจริญปัญญานะกายกับใจมันแยกออกจากกันนะแล้วก็ความรู้สึกกับใจมันแยกออกจากกันเพื่แยกขันได้นะแล้วค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันไปฝึกเอะนะทลองพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ใช้เวลาไม่ยยอะ แล้ม่มานั่งเศร้าซีอยู่กับท่านทั้งวันไม่ทาเสียเวลาเมื่อทีเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ใช้เวลาเป็นวันวันตอนเข้าไปเรียนกับท่านสิบห้านาทีเลิกแล้วลาและไม่อยู่แล้วอันนี้ติดในใิสัยมาจากหลวงปู่ดลนด้วยหลวงปู่ ด, ดลูลนเาเป็นอยู่กับท่าน ไปอยู่กับท่านนะสอนพอเรารู้เรื่องแนละ้วท่านก็ให้กลับออกไปไปทำเอานะเหมือนที่หลวงพ่อเอามาใช้กับพวกเร า, าเชิญเชิญกลับหลวงพู ด, ดลใช้ก็ไปไปทำเมานะไม่มีเชิญนะแต่ไป <c oughs> ไปทำเมาหลวงพ่อสุภาพนะภาษาสมัยใหม่เขาเชิญกลับบ้านนะสาธุชนทั้งหลายนะไปทำเม า, าเอง ว่านสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยละเอียดแล้วนะสามารถเอาไปทำได้ถ้าใจคิดจะทำจริงแล้วถ้าทำจริงผลที่จะได้นะมันไม่ไกลมาผลนผ่านไปไม่ใช่ของเหลือพิสัยที่จะทำได้สิ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือเรื่องการทำสมถะการทำมิปัสสนา การเจริญสติปัฏฐานอะไรเงี้ยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็เป็นให้เวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองให้มากหน่อยยุ่งกับคนอื่นยุ่งกับโลกภายนอกเท่าที่จําเป็นถ้าทําได้อย่างเนี้ยมรรคผล น, ผนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลถ้าให้เวลากับคนอื่นหมดเลยวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกตลอดเวลาไม่ได้หรอก ยังไงก็ไม่ได้ยุติธรรมมากเลยน ะ, อะพอสมควรแค่เวลานะมีถามแปดคนหมายเลขสองค่ะฝึกดูร่างกายหายใจสังเกตเห็นตัวเองมีโทสะบ่อยๆเห็นจิตคิดทั้งวัน ม, มีเพ่งเป็นระยะระยะมไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่รบกวนหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติต่อไป หากไม่ค่อยมีโอกาสส่งการบ้านครับปฏิบัติงานะใช้ได้อยู่นะแต่สมาธิยังไม่ดีพอจิตขณะนี้มันกระจายออกไปรู้สึกไหมว่านะแต่ละวันเราแบ่งเวลาทำกรรมาฐานนะแล้วจิตเคลื่อนเราดูเคลื่อนเราดูมันจะตั้งมั่นมากกว่านี้นะตอนนี้จิตมันกระจายนะมันเลยไม่ค่อยมีแรงนะถ้าเรายังไม่มีแรง สมาธิเราไม่พอเนี่ยการเจริญปัญญาทําไม่ได้จริงมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแต่ใจมันจะฟุ้งซ่านอันนั้นถือว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราเห็นสภาวะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงและจิตเป็นคนดูจิตตั้งมั่นนะอันนั้นคือการเจริญปัญญาของคนณตเติมเรื่องฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปที่ตอนตอนนี้มันถัดเดินเจริญปัญญามันเห็นสภาวะได้แล้วลนะ ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ยไปได้เลยวันนี้ให้ทำเอาใช้ได้นะหมายเลขห้าค่ะเดินจงกรมทุกวันระหว่างวันดูร่างกายหายใจเข้าออกมีฉันทะในการปฏิบัติในรูปแบบเห็นสภาวะบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ายังไม่เป็นกลางติดเพ่งเวลาปฏิบัติบางทีคิดไปพิจารณาเองว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวเราขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะที่เล่ามาใช้ได้แล้วนะอย่างเราเพง่งเราก็รู้ว่าเพง่งอย่างตอนนี้เพง่งนะเพ่งก็รู้ว่าเพง่งไม่ต้องไปหาทางแก้หรอกดูไปเรื่อยๆดูไปใจสบายๆที่เพ่งก็เพราะมันโลภมันอยากดีอยากปฏิบัติไม่อยากเพง่งรู้ทันว่าใจมันโลภมันเลิกโลภมันก็เลิกเพง่งนะค่อยๆฝึกไป เย็นตอนนี้ใจฟุ้งซ่า น, ใ จ, ใ, นใจหนีไปคิดรู้ว่าใจนีไปคิดของคุณเห็นสภาวะได้เยอะแล้วล่วลวนะไปฝึกต่อไปคนะรวาสมันมีจุดนอนเหมือนๆกันหมดอยู่ข้อหนึ่งนะคือสมาธิมันไม่ดีสมาธิยังไม่ค่อยพอแต่ไม่ใช่ไปนั่งเพ่งจิตให้นิ่งนะไปนั่งเพ่งจิตให้นิ่งเป็นวิจาสมาธิ มันจะนิ่งสว่างสวยัยเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ทําขึ้นมาเราทําเหตุก็คือรู้สภาวะไปเรื่อยๆนี่ยจิตมันก็เด่นดวงขึ้นมาอย่าไปบังคับจิตบังคับแล้วมันจะเครียดนะดูเล่นๆดูสบายๆไปที่ฝึกอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ทำเอาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ ทุกวันทำรูปแบบบริกรรมอิติปิโสเดินฟังหลวงพ่อสามชั่วโมงปกติไม่ดูหนังค่ะแต่ช่วงสามอาทิตย์ดูหนังรู้สึกแย่และเห็นกิเลสที่รังเกียจ ต, ตัวเองมากจนทุกทรมานแทบตลอดเวลาที่เผลอ mm hmm. แต่ข้อดีคือความทุกนี้ทำให้เห็นจิตตัวเองเร็วเห็นเส้นดึงกิเลสไม่ปล่อย mm hmm. พอแดวันหลังไม่ดูหนังก็มีความสุข แต่เหมือนหลอกหลอกหนาหนาดูไม่ถึงใจเหมือนตอนมีทุกข์เลยคิดว่าตัวเองบังคับตัวเองไปหรือไม่คะความปรับปรุงแก้ไขอย่างไรขอแนวทางในอนาคตด้วยค่ะเย็นซีเรียสมากนะไป็ซีเรียสมากพอหนาให้มันสบายๆอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปสบายๆไม่บังคับจิตไม่ได้กดข่มตัวเองมากเกินไป ตังกติกากับตัวเองเยอะไปมันจะเนื่อยนะทำกรรมฐานของเราไปเพลินเพลินสบายสบายมีสติเรื่อยๆนะแล้วก็พอใจเราสงบพอสมควรแล้วก็ออกมากระทบผัสสะที่ดูหนังมันก็คือการกระทบผัสสะนะนะั่นแหละพอกระทบผัสสะแนละใจมันก็ทํางานขึ้นมาเราเคยฝึกที่จะรู้ทันใจตัวเองพอใจมันทางานเราก็จะเห็นได้ช่วงหนึ่งนะ แต่ถ้าดูหนังไปเรื่อยๆก็ฟุ้งซ่านดูไม่เห็นละเพรนั้นการดูหนังนะไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเป็นผัสสะ ท, ที่มากไปไหมถ้าไม่มีอะไรมากระทบเลยนะก็ไม่ดีพอนาแล้วก็นิ่งๆเฉยๆบ้างๆอยู่นั้นใช้ไม่ได้หรอกนะออกมากระทบโลกข้างนอกบ้างอย่างกระทบผ่านการดูหนังเนี่ยนะว่าใจมันก็เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รัก mm hmm. เดี๋ยวมันก็โกรธอะไรอย่างเงี้ย เรามีสติรู้แต่คืนนั่งดูตะบี้ตะบันดูทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างดูซีรีส์ทีเดียวทั้งหลายวันอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ได้กินออกฟุ้งซ่านหมดเลยงั้นจะกระตุ้นด้วยผัสาขนาดไหนแค่ไหนเนี้ยประเมินตัวเองนะประเมินกำลังของเราเองไปฝึกต่อไป ด, ดีอยู่ใช้ได้หมายเลขสิบสองค่ะ หนูสังเกตว่าช่วงปีนี้การภาวนาสบายขึ้นหลังจากเข้าคอร์สแล้วจิตรวมไปเลยครั้งนั้นหลังจากนั้นการภาวนาหนูเริ่มสบายขึ้นค่ะหนูดูไตรลักษณ์แบบเกิดดับแล้วแต่จิตจะดู <c oughs> หนูรู้สึกว่าตัวผู้รู้กับกายแยกจากการแบบอิสระ คำถามคือหนูสงสัยว่าสติสมาธิปัญญาหนูอัตโนมัติหรือยังคะและขอหลวงพ่อแนะนำต่อยอดการปฏิบัติด้วยคะ่ะมันมีสติมีสมาธิมีการเจริญปัญญาแต่พลังมันยังไม่พอนะสติเราก็ยังอ่อนหม่สมาธิใจก็ยังไม่ได้ว่ามีพลังเยอะ ดูออกไหมตัวเนี้ยทำอีกยังทำไม่พอแล้วใจไม่เข้าฐานดูอกไหมขนาดนี้ใจไม่ถึงฐานอย่ายดึงอย่ายดึงจิตปล่อยมันอย่างตะเกียบปล่อยให้มันอยู่แต่ดีเกี้แล้วห้ใจซให้ใจเฉยเฉยไม่บังคับรู้สึกไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้ว ตัวนี้เป็นเข้าฐานของมันแล้เพราะนั้นถ้าหาเราบอกเรามีสมาธิแต่ใจมันกว้างๆออกไปนะลอยๆ อ, ออกไปนะไม่ใช่สมาธิจริงนะยังใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญาจริงมันจะไปสบาเพลินๆไปเพราะงั้นถ้าใจเราเพลินไปอย่างตะกี้นี้หาใจเฉยๆไม่ถึงจิตนะให้ใจเฉยๆ ม, นะมันจะเข้ามาเองพอมันเข้ามาตั้งมั่นอย่างนี่ยมันจะเริ่มเห็นทุกขนะ์ล้ว ไม่ใช่เห็นแต่ความสุขความสบายถ้าภาวนาเราเห็นแต่ความสุขความสบายเนี่ยภาวนาผิดแน่นอนเพราะจริงๆขันห้ามันทุกข์มันจะสบายไปไม่ได้หรอกนี่ถ้าใจเราตั้งมั่นถูกต้องแนละ้วภาวนาไปไม่เห็นทุกข์เห็นทุกข์ไปสักพักหนึ่งนะใจมันหมดแรงมันจะถูกความทุกข์ครอบงำแล้วกลับมา ท, มทาําสมถะของเราใหม่มาชาัดพลังใหม่ไม่เดินปัญญารวดเดียวนะ เดิป็นญาลวดเดียวไม่ได้หรอกใจมันฟุงซ่านมันทนไม่ไหวนะแล้วก็พอจิตมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ให้มันตั้งมั่นขึ้นมารู้ว่ามันตั้งมั่นแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเราจะเห็นของหนูก็ไม่จะเห็นกายเป็นตัวทุกข์ได้ง่ายะดูออกใช่ไหมน่นแหตัวทุกข์มันอยู่ตรงนี้ตัวธรรมะมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันก็อยู่ที่ตัวทุกข์นั่นแหละ แล้วพอใจตั้งมันนเราก็ดุก่ายเรื่อยๆไปปัญญามจะเกิดหมายเลขยี่สิบสามค่ะขอส่งการบ้านปฏิบัติในรูปแบบทุกวันวันละประมาณสี่สิบห้านาทีระหว่างวันช่วงที่ไม่ได้นั่งโตะทำงานพยายามเจริญสติให้ได้เท่าที่ระลึกได้ที่ผ่านมาเห็นความหงุดหงิดไม่พอใจเยอะมากค่ะ ขอการบ้านกลับไปทำต่อค่ะที่ทำอยู่ใช้ได้นะเราเห็นกิเลสเห้นอะไรเนี่ยใช้ได้แต่ทุกวันเราต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะให้ใจมันมีสมาธิมากๆสมาธิไม่ได้นั่งสงบนั่งเคลิมนะหมายถึงให้ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้พวกเราเนะแพ้หลวงพ่อตรงเนี้ยหลวงพ่อได้ผู้รู้มาแด้แต่ก่อนเจอหลวงปู่ ด, ดุล ส่วนของเราเนี่ยมาเจอหลวงพ่อแล้วยังไม่ค่อยจะได้ผู้รู้กันเลยมันมีแต่ผู้คิดนะหรือมีแต่ผู้เพ่งนพยายามพัฒนาผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ก่อนพอใจเรามีผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นธาตุเห็นขันนะมันทำงานมันไม่ใช่เรามันเป็นตัวทุกข์มันบังคับไม่ได้อันนี้ใจสมาธิยังไ ม, ไม่พอรู้สึกไหมสมาธิมไม่พอเนี่ยเออไปทาเพิ่มขึ้น วิธีทำก็คือมีกรรมฐานอันนึ่งเป็นเครื่องอยู่จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะสมาธิมันจะเข้มแข็งขึ้นหมายเลขสามสิบค่ะเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นเช่นโทสะจะมีอาการร้อนอและรู้สึกถึงแรงดันที่กลางอกอจากนั้นจะรู้สึกถึงอาการทางกายและจิตจะรับรู้อาการทางกายตลอด อย่างนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าครับรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปเพ่งให้มันหยุดนะรู้แล้วก็ปล่อยอย่างขนาดนี้เป็นอาการที่ยังแทรกแซงจิตอยู่ขนาดนี้เลยรู้ออกดูออกไหมเราแทรกแซงใช่ไม่เราไปทำให้มันนิ่งลปล่อยให้มันทำงานไปมันจะดีหรือมันจะเลวก็ช่างมันนะถ้ามีสติตามรู้มันไปมันถึงจะเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริง ถ้าเรายัางบังคับอยู่มันก็นิ่งๆไปกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่ดีแต่ตรงนี้มันอาจจะเพราว่าตื่นเตนะ้นนะก็เลยนิ่งกว่าความเป็นจริงบังคับมากกว่าความเป็นจริงตอนอยู่ข้างนอกนะที่เล่ามาก็ใช้ได้นะไปทำอีกไปแล้วก็แบ่งเวลาทำในรูปแบบนะให้ใจมันมีพลังไปด้วยหมายเลขสี่สิบแปดค่ะ หนูฝึกภาวนาฟังหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีวันหนึ่งขณะขับรถยนต์อยู่เกิดรู้สึกตัวว่าแท้ที่จริงแล้วเราไม่สามารถบังคับจิตของเราได้เลย ม, มันเป็นทุกอย่างของมันเองอว่ามันจะทำอะไรคิดอะไรรู้สึกว่ามันเป็นจิตมันไม่ใช่เรา ส่วนกายขณะนั้นคือเบาว่างเหมือนไม่มีมสิ่งนี้เกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวสักพักก็กลับมารู้สึกว่ามีกายใหม่มจึงอยากทราบว่าจิตเข้าใจมันเองหรือสมองของหนูมันคิดไปเองคะมัคิดอาไม่ได้หรอกจิตมันไปรู้เข้าคิดเอามันก็ไม่เข้าใจังนั้นจิตมันเป็นไปเองจิตมัเกิดปัญญาขึ้นมา เห็นไหมว่าตัวจิตมันยังมีเราอยู่ตัวนี้ดูออกไหมนะเพราะฉะนั้นตัวนั้นยังไม่ใช่ตัวอริยามรรคนะถ้าอริยามรรคเกิดขึ้นนี่ยจิตมันจะไม่เป็นเราอีกต่อไปแล้วเวลาเราคิดในใจนะ ม, มีคำว่าเรานะแต่มันสักแต่ว่ามีสักแต่ว่าโอหานว่ามีเราแต่ความรู้สึกของจิตเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าจิตเป็นตัวเรานะขณะนี้มันยังรู้สึกอยู่ ไปภอวนาอีกพอน า, นออนานถูกแล้วละภาวนานดีแล้วละหมายเลขสี่สิบเก้าคนสุดท้ายนะคะผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติให้หน่อยได้ไหมครับได้ได้มาตลอดแล้วนี่ัสเราเป็นไงเรารู้ไหมขี้รอบหรือขี้โกรธหรือขี้หลงดออกไหมนะ ดูออกเราก็คอยสังเกตไปอย่างสมวติเราขี้โกรธสมมตินะมันโกรธเราก็รู้มันหายโกรธเราก็รู้หรือมันขี้โลภเจออันนี้ก็อยากอยากสักพักหนึ่งก็เลิอ ก, เลอกอยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายอยากหรือขี้หล ง, งเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกนะฝึกเยอะๆสติเราก็จะดีขึ้นสมาธิปัญญามันก็จะดีขึ้น ฝึกรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆรู้ไปแล้วก็เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวอย่างว่าเปลี่ยนจิตหลงเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บว่ามันหลงลเดี๋ยวมันก็เกิดจิตรู้ไม่หลงแล้วไม่รักษานะจิตรู้เราก็ไม่รักษาเราก็เห็นมันเกิดดับเช่นเดียวกับจิตหลงนั่นแหละตอนนี้ยจิตหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าจิตหลงไปคิดไม่ว่ามันไม่ห้ามมันมันอยากจะคิดเราก็แค่รู้ว่ามันกําลังไปคิด อย่างตอนนี้กำลังหลงไปคิดอีกละดูออกใช่ไหมดูออกก็ใช้ได้นะดูออกก็ดีแล้วการที่เราดูสภาวะออกนะี่เรียกว่าเรามีสติเพราะสติเป็นตัวรู้สภาวะการที่เรามีสติด้วยใจที่เป็นคนดูเรื่อยๆนะมีนีว่ามีทั้งสติมีทั้งสมาธิที่ถูกต้องไม่นานปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้ารวมทั้งกระทั่งตัวจิตเองนะ เกิดก็ดับเช่นเดียวกันหมดเลยไม่มีอะไรที่คงที่เลยของคุณพาอนาใช้ได้นะดีหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็เชิญนเะชิญอย่าลืมอะไรนะเช็คเอาท์นะเดี๋ยวมีหลักฐานว่ามาอยู่ในวัด น, นี่หลายร้อยคนไม่เช็คเอาท์เลยเนะชิญได้เชิญ